คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะของพรรษา 2,557 พ้นจากคืนนี้ไปนะเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นอันสิ้นสุดนะแล้วก็กว่าจะมีการเข้าพรรษาใหม่ก็อีกเก้าเดือนนะหลังจากนี้ไปก่อนที่การเข้าพรรษาจะยุติสิ้นสุดเราก็ควรจะได้ สอบทานหรือถามตัวเราเองว่าสามเดือนที่ผ่านมาเราได้มีความก้าวหน้าขึ้นไหมอันนี้โดยเฉพาะผู้พพที่มาจาพรรษาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือโยมเวลาสามเดือนก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่น้อยนะเราได้สละเวลามาบวชมาปฏิบัติที่นี่ แล้วก็หลายท่านก็มอบภาระหรือทิ้งภาระความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นขณะเดียวกันก็ละทิ้งโอกาสในการที่จ ะ, ะทำมาหาเงินหรือว่าละทิ้งโอกาสในการสร้างความสำเร็จทางโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะทำให้ช่วงเวลาสามเดือนนี้มันมีคุณค่าขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจากช่วงเวลาสามเดือนที่มาปฏิบัติมันคงไม่ใช่ความสาเร็จทางโรคนะแต่มันควรจะเป็นความงอกงามความเจริญในทางจิตใจซึ่งอาจจะแสดงออกทางกายวาจา ก, ก็ไดนะ้เช่น มีความประพฤติที่เรียบร้อยมากขึ้นหรือว่าตั้งมันอยู่ในศีล น, นะคมพูดคำจาที่อาจจะเคยสร้างปัญหากับผู้คนนะก็เป็นไปในทางที่สุภาพราบเรียบมากขึ้นมันต้องมีความก้าวหน้านะขนาดต้นไม้เนี่ย ในช่วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมามันก็โตไม่น้อยทีเดียวแม้กระทั่งวัชพืชนะพวกเราตั้งแต่ปักแรกเลยนะก็มีการหรือการถอนวัชพืชก็เรียกว่าเตียนเลยนะแต่ว่าไม่ทันจะสิ้นสุดพรรษาเลยนะวัชพืชก็ขึ้นมาใหม่มันก็งอกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องจัดการนะ หรือจากการถอนอีกขนาดวัชพืช น, นี่มันก็ยังไม่ทิ้งโอกาสเลยนะในการที่จะสร้างความเจริญงอกงามให้กก่ตัวมันเองตอนที่เริ่มพันธาัญาใหม่น้ำในสารนี่ก็ตื่นมากนะเห็นแม้กระทั่งพื้นดินเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน แต่ตอนนี้น้ำในสา ก, ก็สูงขึ้นนะจกกนกระทั่งนะไม่ทิ้งร่องรอยหรือเขาของต้นพันษาเลยอะไรอะไก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรอะไก็มีความงอกงาม mm hmm. ร, ะระดับน้ำก็ขึ้นสูงสติปัญญาหรือคุณธรรมในใจเรามันได้เพิ่มขึ้นสูงบ้างหรือเปล่านะ mm hmm. เป็นเวลาเป็นโอกาสที่เราจะได้ตรวจสอบหรือว่าใต่าถามตัวเราเองนาว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นไหมมีความเจริญ ง, งอกงามบ้างหรือเปล่าตอนนี้อาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนหรือมองเห็นไม่กระจ่างนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ควรจะมาทบทวน ตัวเองเมื่อมีโอกาสถามตัวเองว่าวันแรกที่มาจำพรรษาที่นี่เรารู้สึกอย่างไรนะถึงตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรที่จริงเนี่ยนะสามวันอ่สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมันก็มากพอนะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ได้ใหม่กว่าเดิมไม่ใช่แค่แก่ตัวลงนะ ไอ้แก่ตัวลงนี่มันแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมันก็แก่ตัวไปตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าอา จ, จะไม่ทันสังเกตเห็นเหมือนกับเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงมันก็ดิกนะไม่ค่อยสังเกตหรอกเราก็นึกว่ามันนิ่งแต่ที่จริงมันไม่นิ่งหรอกมันเคลื่อนความแก่ของเราก็เคลื่อนไปอย่างช้าๆนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องทําอะไรมันก็เกิดขึ้นแต่ว่า เราต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่านั้นนะถ้าเข้าพรรษาแล้วนะั้นเราไม่ได้เป็นคนใหม่กว่าเดิมนะแค่แก่กว่าเดิมอันนี้มันเสียโอกาสนะเราต้องใหม่กว่าเดิมถึงแม้ว่ากายเนี่ยมันแก่กว่าเดิมแต่ว่าใจเนี่ยมันใหม่กว่าเดิมเช่นเป็นคนใจเย็นมากขึ้นมีสติมีความสึกตัวมากขึ้น มีศีลมั่นคงมากขึ้นไม่งั้นมันเสียเปล่านะเดี๋ยวว่าแต่สามเดือนเลยนะมันมีภาษาจีนบอกว่าการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางอย่างแท้จริงถ้ากว่าเมื่อสิ้นสุดการเดินทางแล้วเราเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมตอนที่ออกเดินทางถ้าเดินทางแล้วยังเป็นคนเดิมนี่มันก็ถือว่า ไม่ได้เดินทางเลยนะหรือว่าเป็นการเสียเวลามากนี่ขนาดเดินทางอาทิตย์เดียวหนึ่งเดือนนี่มันก็ต้องคาดหวังได้ว่าเราเป็นคนใหม่กว่าเดิมข้าบัรษาสามเดือนนี่ยิ่งต้องอทำให้ได้อย่างนั้นนะและการที่เรามีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของเรา แต่คนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไว้แล้วแม้ว่าจะยังยังประเมินหรือยังไม่แน่ชัดว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่น้อยเนี่ยก็ควรจะได้มีโอกาสทบทวนว่าสามเดือนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยเพราะคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างน้อยถ้าสรุปมาได้ให้เป็นคติให้เป็นข้อคิดหรือหลักในการปฏิบัติก็ยิ่งดี อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้เทศได้สอนนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อหรือว่ารู้จักเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะหลวงพ่อท่านก็พูดอยู่เสมอนะว่าการทำกรรมฐานก็คือการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นความไม่หลง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ควรจะเก็บเกี่ยวนะจากการที่เรามาปฏิบัตินะที่นี่มัคงมีหลายอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ทั้งนี้เนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้มีมีต้นทุนมีสเสบียงสำหรับการที่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิต เมื่อออกพรรษาแล้วนะสาหรับหลายคนในออกพรรษาเนี่ยก็คือการออกไปใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับสามเดือนที่ผ่านมาหลายคนก็ตั้งใจว่าออกพรรษาแล้วก็จะศึกหาลาเพศนะบางท่านอาจจะไม่ได้ศึกแต่ว่าก็อาจจะย้าย เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางย้ายวัดออกพรรษาสำหรับหลายท่านก็คือการออกเดินทางออกไปอยู่ในบรรยากาศใหม่ซึ่งบางอย่างอาจจะเป็นบรรยากาศเดิมชีวิตเดิมนะแต่ว่ามันแตกต่างจากสามเดือนที่วัดมันแตกต่างแน่นะแล้วก็มันอาจจะท้าทายกว่าก็ได้ เสียงประทัดที่เราได้ยินข้างนอกเนี่ยนะบางเสียงก็ค่อยบางเสียงก็ดังกึกก้องมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือบอกเราว่าข้างหน้าเรานะเมื่อเราสืกหาเราเพอไปเนี่ยมันจะมีความรกระทึกคึกโครมนะไอความสงบที่เราประสบสัมผัสนะที่สุกโตนะ มันก็จะหาได้ยากแล้วล่ะเมื่อกลับเข้าไปสู่วิถีชีวิตเดิมกลับเข้าไปในเมืองก็จะเจอเสียงดังเสียงกระทึกนะนีย่ยสัญญาในประทัดเหล่านี้มันเตือนเรานะว่าออกไปข้างนอกนี่คงจะหาความสงบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะต้องไปเจอกับเสียงดังเสียงกระทึกบางทีมันไม่ใช่แค่เสียงนะมันหมายถึงชีวิีชีวิตที่มันวุ่นวายร้อนรุ่ม เราได้มีของดีติดตัวไปแล้วหรื อ, อยังนะของดีที่ว่านี่อาจจะหมายถึงสภาวะในใจเราหรือว่าความเจริญงอกงามในทางศีลนะในทางการ ป, รปฏิบัติมีนิสัยใหม่นิสัยที่รู้สึกตัวได้ไวมีสติได้เร็วมีความหนักแน่นมั่นคง ถ้ามีอย่างนี้นะมันก็พร้อมที่จะออกไปออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ออกไปเผชิญกับเสียงดังกึกก้องที่ยิ่งกว่าประทัดหรือตะโพกนี้ก็ก็ได้ไม่ตกใจไม่วันไหวนะหรือถ้าเกิดว่าสภาวะในใจเรายังไม่เปลี่ยนแปลงมากอย่างน้อยก็ได้ข้อคิดที่เป็นหลักในการเตือนสติในการใช้ชีวิต บางคนก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเวลาในการที่จะปฏิบัติเต็มที่24ชั่วโมงอย่างในช่วงข้าบันาคงจะทำได้น้อยลงเมื่อกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตครองเรือนกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ก็อย่าลืมที่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะและอัตามาก็นำมาถ่ายทอดอยู่หลายครั้งนะว่า ต้องรู้จักช่วยโอกาสนะต้องรู้จักช่วยโอกาสนักปฏิบัตินักภาวนาคือคนที่เก่งในการช่วยโอกาสก็คือว่าไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าทาอะไรก็ใช้เป็นการภาวนาได้ทั้งสิน้นกินข้าวอาบน้าถูฟันล้างจานหัน่นผักทำครัวอันนี้ก็เจริญสติได้เย็บผ้านะก็ ทำบำเพ็ญภาวนาได้รถติดนะแทนที่จะปล่อยใจให้หงุดหงิดนะก็กลับมาภาวนาจะตามลมหายใจจะคลึงนิ้วนะหรือจะสร้างจังหวะนะถ้าสร้างจังหวะไนมะ่สะดวกเพราะอยู่บนรถไฟฟ้ า, าะนะคนเขา ง, งงว่าสร้างจังหวะนี้ทำอะไรกันแล้วก็คลึงนิ้วไปนะกระเด็กนิ้วไปนะ ต้องฉลาดในการฉวยโอกาสเวลาที่ว่างเวลาที่มีหรือว่าแม้จะไม่ว่างแต่ทำโน่นทนํานี่นะเคยมีคนมาบอกกับหลวงพ่อช่าว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าแล้วมีเวลาหายใจไหมนะถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัตินะ มีเวลากินข้าวไหมมีเวลาอาบน้ำไม่มีเวลาถูฟันไหมนะถ้ามีเวลาทำอย่างนี้ก็มีเวลาปฏิบัติเหมือนกันนะใครที่มาถามหลวงพ่อแบบนี้ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหลวงพ่อเขียนก็จะถามว่าแล้วทำไมมีเวลาโกรธทำไมมีเวลาโมโหทำไมมีเวลาเศร้านะไอ้ทีเรื่องแบบนี้มีเวลามากเหลือเกินนะเวลาเศร้าเวลาโกรธเป็นวันเป็นเดือน เวลาท้อแท้เนี่ยเป็นวันเป็นเดือนและยังบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอีกน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องฉลาดนะในการชวยโอกาสช่วยเวลารวมทั้งช่วยโอกาสช่วยหาประโยชน์จากทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายนะเหตุการณ์ร้ายๆที่ไม่ไม่น่าพอใจนะ เช่นมีคนต่อว่ามีคนาำนิเงินหายเจ็บป่วยงานไม่ประสบความสำเร็จถูกโกงเงินไอ้พวกนี้นี่ถ้าเรารู้ฉลาดนะรู้จักโชโการนะหาประโยชน์จากมันได้เลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันสามารถจะเป็นของดีให้กับเราได้ เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะฝึกใจให้เราเข้มแข็งให้เรามีความอดทนเช่นเจอคนด่าว่าเราก็ใช้เป็นเครื่องฝึกแบบฝึกหัดการบ้านให้เราเข้มแข็งอดทนไม่หวั่นไหวต่อถ้อยคําหรือว่าฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางนะใครว่าเรามาเออ่ มันไม่มีสาระอะไรก็ปล่อยวางมันซะเงินหายนะเงินหายนี่ก็เป็นการบากฝึกปล่อยวางได้ให้มันหายแต่เงินนะถ้าพอถ้าปล่อยวางไม่ได้มันจะอย่างอื่นจะหายไปด้วยนะเช่นความปกติในจิตใจความสุขในจิตใจหรือว่าถ้าปล่อยใจให้เสียใจ มันก็จะเสียสุขภาพตามมากินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพย่ำแย่แล้วก็จะเสียงานนะไม่มีอารมณ์ทำงานกลุ่ม อ, อกกุ้มใจและบางทีก็ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นใส่ลูกใส่เมียใส่ผัวใส่เพื่อนสา ม, มัธาภาพก็แย่เองนะแต่ว่าถ้าเราชัดรู้ว่าโอ้มันมีโทษแบบนี้นะปล่อยวางเลยนะ เงินหายนี่ก็แบบฝึกหัดได้ดีในการปล่อยวางคนที่ต่อว่าด่าทอเราก็เป็นแบบฝึกหัดเป็นการบ้านที่ดีในการปล่อยวางหรือว่าเวลาเจ็บเวลาปวดอ้าวก็ใช้เป็นโอกาสในการเจริญสติดูเวทนาดูความปวดความเมื่อยนะดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ลองดูไปเรื่อยๆลองดูใจที่มันหงุดหงิดนะเป็นของดีนะฝึก ฝึกให้มีสติหรือฝึกให้มองแง่บวกก็ได้นะเออปวดเมื่อยอย่างนี้ก็ยังดีกว่าเป็นโรคกระเพาะนะเงินหายร้อยบาทก็ดีกว่าหายพันนะโทรศัพท์หายดิบก็ดีกว่ารถหายนะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกให้เรามองแง่บวกได้นะมองแง่บวกนี้ก็เรียกว่าโยนที่สมนัสิกการต้องรู้จักใช้ประโยชน์นะ นอกจากมันจะฝึกใจให้เราเข้มแข็งให้เรามีสติมีความอดทนมีขันติรู้จักปล่อยวางมองแง่บวกแล้วนี่มันยังสามารถจะสอนใจให้เราเห็นธรรมะได้สอนให้เห็นในความไม่เที่ยงของร่างกายความเจ็บป่วยนี่แหละสอนให้เราเห็นธรรมะได้ดีหลวงพ่อเขียนท่านเราว่าตอนที่ท่านป่วยนะครั้งแรกนี่ท่านบอกว่า ไตลักมันแสดงตัวมาให้เห็นชัดเจนเลยไม่ต้องทําอะไรนะมีคนทําให้หมดนะตอนอยู่ในโรงพยาบาลแถมยังได้เห็นไตลักมันแสดงตัวชัดเจนอันนี้ถ้าเราป่วยเนี่ยนะั้นเราก็ให้รู้ว่าเนี่ยของดีกําลังแสดงตัวให้เราเห็นนะเห็นร้ายต่างๆมันสอนใจเราได้ให้เห็นสัจธรรมเห็นความจริง เงินหายของหายมันก็แสดงให้เราเห็นสัจธรรมว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยมันมาอยู่กับเราชั่วคราวแล้วก็จากไปถ้าไม่จากเป็นก็จากตายนะก็คือพอเราตายก็ทั้งหมดทั้งที่ทมีไปกลายเป็นของคนอื่นลองดูนะนะไอ้เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของดีนะเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมัน เอามาใช้เป็นเครื่องฝึกใจหรือเอามาใช้เป็นเครื่องสอนใจหรือใช้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ประมาทนะเงินหายของหายก็สอนใจเราว่าให้ต้องรู้จักระมัดระวังรู้จักประนีตถี่ท่วนวางกระเป๋าเงินไม่เป็นที่วางโทรศัพท์ไม่เป็นทางนะมันก็เลยทำให้หายไปงั้นต่อไปจะทำอะไรนะ ก็ต้องมีความใส่ใจมีความพิพจิตรณาไม่เผลอสติง่ายๆเนี่ยล้นแต่เป็นของดีของของประเสริฐนะที่สอนใจเราได้แม้แต่สิ่งที่ขัดใจเรานะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่ขัดใจเรามันก็เราต้องรู้จักใช้เอามาขัดจิตขัดใจไร้ให้สะอาดนะสิ่งที่ขัดใจเราไม่วาจะเป็นคําพูดไม่วาจะเป็นการกระทําหรือแม้แต่อาหารที่ นะมันไม่ถูกใจขัดใจเราก็ามาใช้ในการขัดจิตขัดใจให้สะอาดขัดกิเลสให้มันออกไปจากจิตใจไอ้ที่ขัดใจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความยึดติดถือมั่นนะส่องดูส่องใจดูก็จะเห็นความยึดติดถือมัน่นและทำไมมันก็สอนให้เราจักปล่อยรู้จักวางรู้จักละกิเลสตออกไปนะของดีทั้งนั้นแหละไอ้สิ่งที่ขัดใจเรา ถ้าเรารู้จักใช้มันก็เอามาขัดติดขั ด, ขดจังเราให้สะอาดไดนะ้นี่เราต้องรู้จักนะรู้จักมองให้เป็นอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นประโยชน์เหมือนกับขยะนะขยะนี่ถ้าเราวางไว้ไม่เป็นวางไว้หน้าวัดหน้าบ้านมันก็เป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่ถ้าเราเอาไปวางไว้ในสวน ในทุ่งในนามันก็กลายเป็นของดีเป็นปุ๋ยได้นะคนฉลาดนี่มีหลวงพ่อท่านนึงเขาบอกเนี่ยคนดีเนี่ยปลาขี่หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้นะสามารถจะเปลี่ยนของร้ายให้กลายเป็นของดีได้อันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราควรจะเอาไปใช้นะกับชีวิตของเราในวันข้างหน้าไม่ว่าจะสึกหาเราเพื่ออะไรไปหรือเปล่าก็ตาม รนะวมทั้งการที่เราต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งนะว่าถ้ า, าว่าเราจะมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าสิ่งที่มันเป็นคำตักเตือนคำต่อว่าด่าทอนี่ต้องรู้จักเอามาใช้และจำเป็นด้วยคนเราเนี่ยนะในการทำความดีในการพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จนี่มันเป็นการทวนกระแส ทวนกระแสกิเลสทวนกระแสสังคมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนเราจะมีกําลังในการทวนกระแสได้นี่ต้องอาศัยการยานามิตรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่การยานามิตรจะช่วยเราได้นะก็คือคําแนะนําคําทักท้วงคําตักเตือนหน้าที่ของการยานามิตรหรือมิตรแท้เนี่ยคืออันนี้ด้วยไม่ใช่แค่ ปกป้องเราให้พ้นจากอันตรายแต่ช่วยแนะนำตักเตือนให้เราไปในทางที่ถูกด้วยนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะจึงเป็นจึงมีชื่อเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาก็คือวันที่พระจะได้ทำพิธีเพื่อบอกกล่าวกับหมู่สงฆ์ว่ายินยอมเปิดโอกาสให้ว่ากล่าว คำว่าปวารณานี่มันมีสองความหมายข้อแรกคืออนุญาตให้ขอเช่นโยมปวารณากับพระอนุญาตให้ขอได้นะเรื่องอาหารเรื่องภาหนะเรื่องปัจจัยสี่อีกความหมายหนึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อตอนเย็นนี้นะพระทั้งวัดก็มาทำพิธีปวารณาก็คือ เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตัดเตือนนะมีข้อความว่าแปลเป็นภาษาไทยนะว่าข้าพเจ้าขอปารานากับสง์ว่าเมื่อได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือลองระแวงสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายกล่าวกับข้าพเจ้าด้วยความเอ็นดูหวังดีเมื่อข้าพเจ้าเห็นก็จะแก้ไขนะก็จะกล่าวเป็น3ครั้งนะ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะสำหรับพระจริงสำหรับชาวพุทธทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็คือว่าต้อง ค, ควรจะเปิดโอกาสให้ใครๆเนี่ยว่ากล่าวทักท้วงตักเตือนได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นแบบอย่างเคยกล่าวกับหมู่สงฆ์ว่าเนี่ยเชิญชวนให้พระสงฆ์เนี่ยตรวจสอบพระองค์ ว่าได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างแล้วก็ในบางครั้งก็ปรณ า, ากับหมู่มสงฆ์ว่าถ้ามีอะไรที่พระองค์ทำไม่ดีทางกายวาจานะก็ช่วยตักเตือนด้วยนะอันนี้เป็นวิสัยขอ ง, ของบัณฑิตนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทักท้วงนะและเมื่อทักท้วงแล้วนะก็ไม่โกรธ แก้ไขได้เมื่อเห็นว่าผิดพลาดภาษารีบุตรนะเมื่อเห็นคราวหนึ่งนะท่านถูกสามนเณรอายุไม่กี่ขวบเจ็ดปดขวบทักท้วงว่าสบงปล่อยชายต่ําไปหน่อยนะเนนท้วงนะภาษารีบุตรไม่โกรธนะภาษารีบุตรก็พอเห็นก็กลับไปห่มไปนุ่งใหม่ไม่ได้โกรธเนรเลยไม่รู้สึกอับอายเลยว่าเนรเจ็ดขวบมาว่ามา มาทักท่วงเรานะเธอเป็นเนรเธอรู้อะไรนี่ไม่มีในความคิดของภาษาหรี่บุตรเลยนะท่านก็ยินดีแล้วกลับกลับไปแก้ไขไม่รู้สึกเสียหน้าเพราะท่านไม่มีหน้าให้เสียอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่มีความยึดถือในตัวตนนั้นนี่เป็นวิสัยของบัณฑิตนะสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้านะได้ชักชวนให้องคุริมานเนี่ยซึ่งเป็นโจรร้ายมาบวชเมื่ อ, องคุลิมามาบวชแล้วเนี่ย ก็พยายามฝึกผลพัฒนาตนวันหนึ่งก็เดินบินธบาตก็เห็นหญิงแก่เอ้ยแม่หญิงแก่หญิงท้องแก่ท่าทางเธอมีความทุกข์มากพระองค์ครีมานก็อยากจะช่วยเพราะเกิดความเมตตาอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไปปรึกษาพระุทธเจ้าพรุทธเจ้าก็แนะนําว่าให้พูดกับหญิงท้องแก่อย่างนี้ว่า ตั้งแต่อัตมาเกิดมาไม่เคยมีความจงใจที่จะโปร่งชีวิตสัต์ให้ล่วงตกไปเลยขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารุกในครางของเธอผู้ชนนีแนะ้แนะนำพระองคุลีมานพระองคุลีมานทักท้วงนะว่าจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าก็เคยเป็นโจรแล้วก็ฆ่าคนมาเยอะจะพูดว่า ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีจิตเตตนาที่จะล่วงปรงชีวิตใครเลยเนี่ยพูดไม่ได้นะพูะเจ้าก็เลยแก้ใหม่นะให้พูดแบบนี้ว่าตั้งแต่อตามาเกิดมาในอริยชาติอริยชาติคือว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นพระนะพระนี่ถือเป็นอริยชาติตั้งแต่เกิดมาเป็นตั้งแต่เกิดมาในอริยชาตินะอตามานี่ไม่เคยมีความจงใจ โงชีวิตสัตให้ล่วงตกไปขอความสมบสรณ์ดีจงมีแก่เธอขอความสมบสรณ์ดีจงมีแก่ทะเกในครั้งเธอผู้เจ้าก็แก้ไขนะเมื่อถูกพระองค์คลีมาทักท้วงผู้เจ้าไม่โกรธเลยนะบางทีผู้เจ้าก็พูดพู ด, พ, ดพูดไม่ครบนะหรือว่าพูดอาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะไม่ใช่ผู้เจ้านี่จะพูดถูกหมดนะก็เคยถูกองค์คลีมาทักท้วงมาแล้วพระองค์ก็แก้ไของค์คลีมาก็นําไป นำข้อความนี้แหละไปบอกหญิงท้องแก่ปรากฏว่าครั้งเลยนะสัจจวาจานี้เนี่ยนะก็ทําให้หญิงท้องแก่นั้นเนี่ยก็คลอดลูกได้ได้ด้วยดีนะคาถานี้ก็เลยเป็นคาถาที่เอามาใช้สวดให้กับผู้หญิงที่มีคันมีท้องแก่นะอันนี้ก็เป็นการแนะนําสัจจวาจานะ ที่ปรับปรุงใหม่หลังจากที่องคกลิมาลได้ทักทวงหลวงพ่อของเราหลวงพ่อคำเขียนท่านก็นะ่มีคุณธรรมข้อนี้มากเหมือนกันนะเวลามีลูกศิษย์ลูกหาทักท้วงมีพระทักท้วงท่านก็ฟังนะท่านไม่โกรธนะลูกศิษย์ลูกหาก็มีความสบายใจที่จะทักทวงหลวงพ่อนะแต่ท่านก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราท่านเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจ รับฟังคําทักทวงได้เหมือนได้ตลอดเวลาแะพวกเราก็ควรจะนําเอาพระจริยาของพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาริบบทก็ดีหรือว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยนะเป็นแบบอย่างนะก็คือพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคําทักทวงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อตอนเย็นนะทางพระก็ทำพิธีภาวณากัน ที่จริงไอ้การปรนนาเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะจำกัดเฉพาะพร ะ, พระนะญาติโยมก็สามารถที่จะทักท้วงพระสงฆ์ได้นะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะเป็นบาปนะนะมีบางคนมีความเข้าใจแบบทันว่าทักท้วงพระแล้วเนี่จะเป็นบาปไม่ไม่ใช่เลยนะถ้าทำด้วยความหวังดีนะทำด้วยเจตนาดีทำด้วยเมตตาก็ถือว่าเป็นบุญด้วยซ้ำเป็นประโยชน์ นะหลวงพ่อท่านก็เคยพูดเสมอนะโดยเพาะในช่วงคำมรนสาว่านี่ก็ปรารณากับโยมเอาไว้นะกับแม่ชีด้วยนะว่าถ้ามีอะไรจะทักท้วงนะก็ให้ทำได้เลยนะอาตมาก็เช่นเดียวกันนะก็ก็ขอปรารณาในที่นี้นะกับญาติโยมกับอหมูคณะทั้งหลายว่ากับชาบ้านด้วยนะว่าถ้ามีอะไรที่ ที่ทำให้ถูกต้องนะไม่ว่าจะได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือแวงสงสัยก็ดีก็ขอให้ว่ากล่าวให้พูดนะด้วยความหวังดีด้วยความเอ็นดูนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดูที่ผู้ที่ว่ากล่าวนะก็ควรจะมีด้วยนะคือความหวังดีความเอ็นดูความเมตตา น, นั่นเองอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องการ การทักท้วงการตักเตือนเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นคุณธรรมของชาวพุทธนะที่พึงกระทาต่อกันพระุทเจ้ายัางตัดเลยว่านะให้ให้ถือว่าผู้ที่ชี้ผู้ที่ตำหนิหรือผู้ที่ติดเตียนนั้นเป็นเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์นะแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีหลักนะสำหรับผู้ที่จะทักท้วงตักเตือนแนะนำหรือวิจารณ์นะก็คือว่าถ้าจะให้ได้ผลเนี่ย ก็ต้องมีองค์ประกอบห้าประการก็คือหนึ่งเป็นความจริงสองมีประโยชน์สามถูกเวลาอันนี้สําคัญมากเลยนะถูกเวลาอย่าว่าแต่คําทักท้วงนแมแ้แม้กระทั่งคําชมนี่ผู้จ้า ก, ก็บอกว่าต้องต้องชมให้ถูกเวลานะชมผิดเวลานี่ก็เสียหายได้เหมือนกันนอกจากถูกเวลาแล้วก็ให้เป็นคําที่สุภาพแล้วก็ประกอบไปด้วยเมตตานะอันนี้คือคุณธรรมของฝ่ายผู้ที่ทักท้วงส่วน ฝ่ายที่ถูกทักทวงก็ต้องมีความหนักแน่นอดทนจิตใจมั่นคงซึ่งที่จริงนี่ต้องมั่นคงแม้กระทั่งว่าผู้ที่ทักทวงนั้นอาจจะทำด้วยใจที่ไม่มีแม่ตาก็ได้นะก็ต้องพร้อมนะไม่โกรธเขาแม้เขาจะต่อว่าด่าทอไม่ได้ไม่ได้แนะนำนะไม่ได้ตักเตือนแต่ต่อว่าด่าทอเลยทีเดียวนะก็ต้องไม่โกรธนะวิสัยของชาวพุทธนี่ต้องไม่โกรธนะ เพราะว่าการโกรธนั้นเนี่ยก็ถ้าก็ว่าทำให้เราเนี่ยโงก่กว่าเขาเลวกว่าเขาเมื่อใครต่อว่าด่าทอมานะก็ไม่ควรที่จะตอบโต้ด้วยเหมือนก้เราเดินไปในสวนแล้วมีลิงเกเรนี่มันเห็นเราท่า น, นที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันอยากจะแกล้งเรามันก็ปลิดมะพร้าวคว้างใส่เรา ถ้าเราเห็นมะพร้าวคว้างใสเราควรทําอย่างไรก็ควรจะหลบอย่าให้มะพร้าวเนี่ยคว้างถูกตัวคราวนี้มะพร้าวตกลงพื้นเราเราจะทําอย่างไรเราจะมะพร้าวคว้างกลับไปไหมคนฉลาดก็ไม่ทําอย่างนั้นนะคนฉลาดก็เอามะพร้าวนะเก็บกลับบ้านเอาไปฉอกินนะชันแดกก็ฉันนั้นคําต่อว่าดาทอนะถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์นะ อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่นะก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยได้กำไรได้เช่นอาศัยคำต่อว่าด่าทอมันเป็นเครื่องฝึกให้เราจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่รู้แก่โทสะหรือฝึกใจให้เรามีสติใช้ประโยชน์จากมันนะแม้กระทั่งเสียงทังเนีเสียงตะโพกเนี่ยนะก็ไม่ต้องหุดหงิดนะนะบอกอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ย ถ้าถ้าออกไปจากวัดหรือว่าถ้าสึกออกไปนี่ต้องเจออะไรที่มันยิ่งกว่านี้นะแค่นี้นี่เป็นของจิบจิบเบาๆนะมันเตือนเราว่าเนี่ยข้างหน้าเรานี่จะต้องเจอหนักกว่านี้เยอะนะจะต้องเจออะไรที่มันไม่ถูกใจมันไม่มันขัดใจแต่ว่าเราก็ปล่อยวางได้นะไอคําตอบว่าดาวตกมันมันจะยิ่งกว่าเสียงประทัดเยอะนะแต่ถ้าเรา ฝึกใจมีสตินะมันก็ไม่มีความหมายพูดถึงเรื่องของการคาตักเตือนเนี่ยนะผู้ที่ได้ยินคาตักเตือนก็ต้องรู้จักนะต้องรู้จักพิจารณาอย่าด่วนสรุปง่ายๆบางทีเขาตั้งใจดีแนะนาเราตักเตือนเรานะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีสติไปมองแง่ลบ ก็เป็นปัญหานะเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาขี่เขาขับรถไปขึ้นเขานะแถวแถวภาคเหนือเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีรถข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวโค้งมาแล้วก็รถก็ส่ายนะรถนี่สายสายแล้วก็ตรงมาที่สวนทางมาที่เขาเนี่ยด้วยความเร็วสูงเขาเนี่ยต้องขับรถเนี่ยนะชิดขอบถนนเลย พอรถคันนั้นแล่นผ่านก็ตะโกมนมาว่าควายตะโกนใส่มาที่เขาว่าควายคนขับรถคันนั้นโมโหมากเลยนะคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเขาโมโหมากนะว่าไอ้เจ้านี่ขับรถยังขับรถแสบปัดไปปัดมานี่นะแล้วยังมาว่าฉันว่ายังมาว่าฉันว่าควายโกรธก็เลยด่ากลับไปว่ามึงก็ควายนะ ส, านะสะใจเลยนะเส็จแล้วขับรถต่อไป นะทาเป็นทางลงเนี่ยนะมันก็เลยพอเลี้ยวโค้งปรากฏว่าขณะที่รถกำลังล่นด้วยความเร็วเนี่ยไปเจอควายข้างหน้าไปเจอควายข้างหน้าฝูงควายหยุดไม่ทันนะก็เลยชนควายไปจริงเนี่ยคนขับรถที่ล่นสวยมนเขาต้องการเตือนเราว่าควายอยู่ข้างหน้าแต่เราไปเข้าใจว่าเขาด่าว่าควายนะนะก็เลยซวยไปเลยนะ อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าบางทีเขาเตือนเรานะเราจะไปมองในแง่ลบว่าเขาด่าเราหรือว่าเขามีเจตนาไม่ดีนะคนเขาเตือนเราดีๆแต่ว่าเราไปด่วนสรุปว่าเขาด่าเราเขาเจตนาไม่ดีอันนี้ก็เราก็เสียประโยชน์อย่าเป็นอย่างคนคนนั้นนะที่ได้รับคาเตือนแล้วนี่กลับไปคิดว่าเขาด่าเสร็จแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเราจะต้องเจ อ, อเยอะนะแม้กระทั่งคนที่ว่ากล่าว จ่วงจาบไม่ใช่เราแต่ว่าคนที่เราเคารพเช่นพระผพุทธธรรมพระสงค์นะพูะจาเนี่ยเคยสอนไว้ว่าแม้กระทั่งคนที่ว่ากล่าวจ่วงจาบพระผพุทธธรรมพระสงค์เนี่ยประสงค์เราหรือพิสูจนทั้งหลายไม่ควรโกรธนะเพราะว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองคือเกิดโทษแก่ตัวเอง เป็นอันตรายอย่างไงก็คือว่าไม่รู้เขาว่าอะไรไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่าและที่สาคัญคือว่าพอโกนแล้วเนี่ยความกลัวก็เผาลนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนอกจากความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคําทักท้วงหรือแม้แต่คําต่อว่าด่าทอแล้วแม้กระทั่งคำํำจ่วงจาบดูหมินนะหรือวิพาทวิจารณ์สิ่งที่เรานับถือคือพระรัตนตรยัยเราก็ต้องหนักแน่นมั่นคงนะ อันนี้แหละก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันที่เรียกวันปรืรณานะแล้วก็ก่อนที่จะจบนี้นะก็อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งนะสำหรับผู้ที่จะออกพรรษาไปแล้วก็อาจจะศึกษาลาเพศไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นนะก็คือว่าเดือนธันวา this น, นะเราจะมี การจัดธรรมยาราจัดมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่15ธรรมยถาานี้ก็คงทราบ ว, ว่าหลวงพ่อกำเขียนเป็ผู้ริเริ่มหลวงพ่อท่านบอกว่าชีวิตท่านเนี่ยมีสองซีกนะซีกนึงก็คือซีกอนุรักษ์ธรรมชาตินะท่านรักษาท่านรักธรรมชาติท่านรักษาป่าอีกซีกหนึ่งคือการสอนกรรมฐานนะ ซี่ที่รักษาปา่าอนุรักษ์ธรรมชาติก็ทำให้ท่านเริ่มธรรมยาราขึ้นมาแต่ธรรมยถ า, าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การอนุรักษ์ธรรมชาตินะแต่ว่าที่จริงแล้วมันมันรวมเอาสองซี่เข้ามาด้วยกันก็คืออนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยปีนี้เนี่ยปีที่สิบห้าก็จัดธรรมยาราใช้ชื่อว่าบูชาครูตอบแทนคุณ บูชาครูก็คือหลวงพ่อนั่นแหละนะตอบแทนคุณก็ตอบแทนหลวงพ่อด้วยตอบแทนธรรมชาติด้วยนะก็เชิญชวนพวกเรานะใครที่ว่างจะเป็นพระเป็นโยมก็ได้มาร่วมเดินธรรมญาตรากี่วันก็ได้ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะเพราะว่าจะค้างแรมในป่าเนี่ยมากกว่านะที่จริงเรียกว่าปีก่อนๆไม่เคยค้างแรมในป่าเลยแต่ปีนี้จะค้างแรมในป่าประมาณสองึสามคืนเพื่อ ให้ได้ภาวนากันอย่างเต็มที่นอกเหนือจากภาวนาในขณะที่เดินตากแดดนะเพราะว่าธรรมยาตรานี่มันเป็นการภาวนาในตัวด้วยระหว่างที่เดินตากแดดฝุ่นฟุ่งคนเยอะก็ภาวนารักษาใจแดดร้อนร้อนแต่กายใจไม่ร้อนนะทางไกลกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยอันนี้ก็คือการฝึกนะ ที่ได้ทำมาทุกปีทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นการเจริญสติแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจนะว่าถึงแม้จะส่งหาลาพเไปนะถ้ามีเวลาก็มาร่วมเดินหรือว่าถึงแม้จะเป็นคารวา่ากลับไปที่บ้านแล้วมีเวลาก็มาร่วมเดินปีนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่หมดนะไปป่าปรงแล้วก็ไปลงเกษตรสมบูรณ์ เริ่มต้นที่วัดภูเขาทองนะก็ประชาสัมพันธ์ในที่นี้อ่าเราก็ผสมกันกับเวลาแล้วนะก็เด็กๆ ก, ก็กำลังรองนะร อ, อะเวียนเทียนนะก็ขออ่อยุติ เ, เพลงเท่านี้